พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่2กันยายน2555มีเชื่อเรื่องว่าอย่าลืมศีลทานและการเจียจานพ่อแม่ ภูเผจักกตะปุญญตาพวกเข้าได้ทำบุญไว้ในอดีตในชาติก่อนจะได้มาพบพ่อแม่คู่บาา่ายจารย์จังี่อัตตะสมาปณิธิให้พวกเข้าตั้งตนไวชอบไปในเมื่อเข้ามาพบแล้วเข้าตั้งตนไว้ชอบค่อยๆเข้าเป็นคนดีอย่าไปเป็นคนที่บอดีถ้าว่าเข้าเป็นคนบอดีขี่ลักขี้ขโมยขี่ซอกขี่โกงเป็นคนบอดีเขาหูยักเ์อย่านคนบอดีคืออย่าง ข้าเป็นคนบอดีเกิดชาติหนาอาจจะไปเกิดพลเอ้บัดีแถวออฟาริกาพน่ะหัวใหญ่ๆทองใหญ่ๆขาหลิบๆพีนพน่ะเพราะใดพราเข้าทําบอดีไว้มันก็ต้องไปเกิดทังทันอันนี้พวกเ้ามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับว่าเป็นผู้โชคดีย่างมากนาว่าปฏิโลปะเทศวาโซจะปุเพจักกตปุญญาตา อัตตสัมมาปณิธิอัตตสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบอย่างที่ว่าเพราะนั้นพวกเข้าคณะสัทธาญาติโยมทุกขูทุกคนตลอดคูบาอาจารย์พระสงฆ์นองนงทั้งหลายที่เข้ามาฆรวะหลวงพ่อไปตามวัดต่างๆเพื่อการได้ยินได้ฟังเพื่อการทัศนศึกษามหาคูบาอาจารย์องค์นี้คูบาอาจารย์ท่านนี้วัดว่ า, าศาสนาเป็นยังไง พวกเฮาอยู่ในบานกระบอกเคยเห็นเด้แต่ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนกับต่างอยู่ของไปของมั่นแต่นี่มาสู่วัดว่าศาสนาพวกเฮาก็ได้เห็นเออวัดผู้กอดขอับพนสางจังไรวัดปลาหลวงพอ่ออินเนี่ยเป็นจังไรเป็นจังไรการเป็นอยู่ของเพิินอันนี้เฮาก็ได้ทัศนศึกษาเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เพิินปฏิบัติจังไรอันนี้ก็พวกเฮา มากเข้านี่ยก็เป็นการทัศนศึกษาตามวัดต่างๆแต่ว่าสิ่งใดที่เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อเฮ้าเฮ้าก็นั่มสิ่งที่เกิดประโยชน์ไปปรับปุงแก้ไขการเป็นอยู่ของเฮ้าให้ดีขึ้นคานาว่าตรงไรเออของเฮ้าดีอยู่แลว้วเออดีกว่าของเพิ่นอีกต่างหากอันนี้เฮ้ากับเบิ่งเอออันนี้ของเฮ้าดีอยู่แลว้วดีกว่าเพิ่นอีกต่างหากเฮ้าก็ได้หูจักคือกันคานว่าตัวใดเพินดีกว่าเฮ้าเฮ้าก็นั่มไป พอเพลิปฏิบัตินําไปใช่ในหมู่บ้านของเข้าสมมติว่าหมู่บ้านของเข้าเพื่อนของเข้านี่เบิ้งหลังบอกเกี่ยงบอกเก่าคือยังวัดว่ า, าศาสนาของเพิินกุฏิสาราของเพลินบริเวณวัดคลองเพิินนี่กว้างสะอาดเพลินปัดกวาดรักษาดีตลอดถึงผีปักผ้าอาศัยของเพิินก็เพลินรักษาดีเข้าก็ได้นําไปปรับปรุงแก้ไขบ้านเพื่อนของเข้าที่อยู่ของเข้า อันนี้ปลว่าทัศนะศึกษาโมแมนสียางมาเฉื้อยแล้วกันยางไปเฉื่อยๆมันบกเกิดประโยชน์เองเลยข้าวว่ายางมาเฉื้ อ, อย่างไปเฉื้อตาของเข้าต้องสังเกตหูของเขาก็ต้องฟังอย่างมาันหลบมาหาลงพองที่แหะพวกเข้าได้ฟังอย่างได้ฟังจากลงพองเบาเพลินว่าควดที่เฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการในยินในฟังเด้เพลินว่า ถาว่าเฮาพอทิ้งยินได้ฟังจิเฉลียวฉลาดขึ้นมาใดบอมีท่างบอมีท่างแกเฉลียวฉลาดใดก่อนที่เฮาจิเฉลียวฉลาดใดเฮาต้องไปโรงเลี้ยนลงเลียนตาดูหูฟังใจคิดว่าไรนี่ยแหละอันนี้คือกันมาวัดว่าสู่วัดว่าศา ส, สนามาหาลงพอเนี่ยพวกเฮาทั้งหลายก็ฟังมาผู้ฟังทำย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้ว ไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสอันนี้คืออั น, นสงแห่งการฟังธรรมมิโยหายางที่พระพุทธเจ้าพณนบอกบัญญัติไว้เนี่ยจากนั้นเพิ่อนก็บอกเป็นภาษาบาลีขึ้นมาอีกสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง จินตามัจยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรพบทวนกันกรองไตรตรองสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นด้วยสติปัญญาของเราอันนี้ก็คือจินตามัยยปัญญาภาวนามัจยปัญญาปัญญาเกิดจากการทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจสงบแล้วนำมาพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลอันนี้อันนี้ภาวนามยปัญญา อันนี้ปัญญาคันละเอียดนะเนี่ยเพราะนั้นพวกเข้าจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการใดงี้นยนได้ฟังสรุปแล้วเพราะนั้นเวลาไปวัดว่าศาสนาไปอยู่หมองไรก็ตามเวลาครูบาอาจารย์เพิ่นบอกยังไงฟังให้า ฟ, ฟังสังเกตมั่นแมนบอดีเพิ่นบอกไห้ฟังเนี่ฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพวกเข้ามาสู่วัดว่าศาสนายังมาหาวัดหลวงพ่อเนี่หลวงพ่อก็จะบอกเลยเออ พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นสอนให้ใหมีท่านมีศินเหี้มิภาวน่าเนา้อให้เคารพพ่อแม่เน้อให้เคารพวิญญาณคุณอาวศ์บุตรเน้อให้เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เน้อให้ปฏิบัติเสื้อฟังเออจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ของเขาเนา้ออันนี้เพลินเกตจะสอนเรื่องคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติเออการเป็นอยู่ของเข้า อย่างพวกเข้าอยู่น้ากันประเทศชาติบ้านเมืองจะลมเย็นเป็นสุขได้ก็ต้องอาศัยการเสียสาร ะ, ะการทําบุญทําท่านอย่างเมื่อกี้นี่แหละพวกเขาก็มากเออเขามาสูว่วัดว่าศาสนามาสู่คู่บ่าจารย์พวกเขากัดทำบุญเนอเพื่อเพิ่นได้จะตุปัจจัยมาแล้วคนนี้แหละสร้างสายเส้นาสน ะ, ะ, ะอย่างพวกเขาที่นั่งเดียวนี้นะโบเมนหลวงพ่ออินเสกคาถาเป่าฝุดฝาดเป็นโบเมนเด้ ก็ได้อาศัยจตุปัจจัยของสัทธายาดย่อมคนละหมากคนละหน่อยจากนั่งกระสางเสีนาสนะกับโวเมนท่านั้นอีกค่าน้ำค่าไฟอีกกับข้าอาโหงอาหารพระสงฆ์อีกพระสงฆ์เจ็บไข่ได้ป่วยอีกนี่แหละมีหลายๆอย่างพอเฮาเกิดมากแล้วก็ได้ทำบุญทําท่านนี่แหละคนละหมากคนละหน่อยกับบววากันแต่ว่าเกิดมากต้องมีการเสียสาระของมีท่านะ การยูด้วยกันตรงมีดท่านานะคือการเสียสละการทำบุญในหลักของพุทธศาสนานี่การทำบุญหลายอย่างการทำท่านไม่หลายอย่างการเสียสละเนี่เรื่องเจตุปัจจัยเนี่ยว่าอามิษสถานอามิษฐทานคือให้ท่านเจตุปัจจัยธรรมทานหลวงพ่อกำลังพูดเนี่ยให้แนวความคิดแก่พวกเข้าท่านทั้งหลายแลยว่าธรรมทานวิทยาทานก็นคือแนะนำสั่งสอน เมื่อเขาเห็นดอยคว่าเห่าเขาเห็ดหนังบบเป็นเห่ากับบอกกาวเขาซ้อมรถจังสีตัดผมจังสีเน็บผ้าจังสีแนะนําเขาให้เขาทำได้วิชาอาชีพของเขาทําไรทำหน้าอันนี้ ว, ว่าวิทยาทานแล้วก็อภัยทานเมื่อเขาลงล่วงเกินเห่าเราดูถูกเกียรติยามเห่าด้วยความโมโหโทษโสของเขาของเขาเล่าก็าให้อภัยเขาเรียกว่าอภัยทาน เป็นท่านคือกันเพราะนั้นท่านมีหลายอย่างเพราะนั้นขอให้พวกเข้าต้องมีจิตใจกว้างขวางอยา่าขับแแคบสรุปแล้วพระพุทธเจ้าพันสอนยังสัน่นถ้าว่าคนบ่มีท่านให้พวกเข้าคิดเบื้องต้นพอแม่กั บ, บ่มีการเสียสาระให้ลูกลูกก็ บ, บ่มีการเสียสลระให้พอให้แม่ให้วงสาคานาฬญาติหญาติมิตรสหายแห่ต่างคนต่างอยู่บ่มีนามจิตนามใจต่อกันโล ก, กนี้จะเป็นจังใด ต่างคนก็ต่างโย่ขอหลอกแคลร์คองไพรคลองมันม่นมีการเสียสละโลกทั้งโลกจะหาความสงบลมเย็นเป็นสุขบ่ได้เนี่ยอันนี้ก็คือท่านศีลเกินรักษากายว่าจาให้เรียบร้อยชื่อวัดศีลคาราวะของเฮ้าคาราวะยาติโยมของเฮ้าก็คือศีลหาพอพูดถึงเจ้าเพันบอกให้ว่าให้มีศีลหาเนอพวกดูเจ้ามีการมีงานมากมีทุละมากยาวหลวงละเลยเรื่องศีลหาศีลหนี่ยบอมันธรบัดาเด้ การผู้ใดรักษาศีลหาแล้วสีบอตกหน้ารกสีบอไปเป็นเปรตสอบไปโบเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานบอเป็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียยิ้เป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าผู้ใดมีศีลหาตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์มียังมีชีวิตอยู่ก็มีโภกคะสมบัติเรียกว่าสีเลนะสุขติยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีลสีเลนะโพกสัมปทา เป็นผู้มีพกคะสมบัติได้พอสินสีเลนะนิผูุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้พอสินสินหาสินแปดของพระพุทธเจ้าเนี่ยบมเอ็นของเล็กหน่อยสรุปแล้วพระพุทธเจ้าเพ็นบัญยัิว่าอยาขากันเนอสินคอที่นึงถ้าเฮาว่าพกเข้าขากันไปใสมีแต่พกผ้าอาวุธพกปืนพกมีดไปน้่เพื่อจะขากัน แล้วแว่งแข้งใจกันบ่ไว้วใจกันโลกทั้งโล ก, กหาความสงบลมเย็นเป็นสุขบ่อใดเพราะใดเพราะโลกมีแต่หาความสงบบ่อใดหาความไว้ใจกันบ่อใดกันว่าเข้าไปข่าพ่อข่าแม่ข่าลูกข่าล้านของเขาเขามาข่าพ่อแม่ลูกหลานของเขาหรือเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันพราะนั่นพระพุทธเจ้าพรวิยาข่ากันเนออันนี้คือศีลขอที่หนึ่งขอที่สองอที่หน้าท่าน ยาข้ามุ่ยกันเนอะแต่ว่าเฮ้าไปข้ามุยพอแมยพี่น้องหลูกร้านเขามาเลียข้าไทยเขามาจับพอแมยของเฮ้าพี่น้องหลูกร้านของเฮ้าไปเลียข้าไทยเห็นไหเป็นยังไงเฮ้าสบายใจบ่เฮ้าก็ถูกใหญ่ขึ้นกันเขาขื้นกันเฮ้าขึ้นกันถ้าเขามาลักลักรถลักง่วนลักควายลักสิ่งลักของของเฮ้างัดบานของเฮ้าเป็นยังไงเฮ้าก็เป็นถูกขนาดเฮ้าไปเห็ดให้เขาล่ะเขาก็เป็นถูกขึ้นกัน เพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเล่าอย่าขาโมยกันเด่าในข้อที่สามกาเมสุมิชฉ า, าราเวรมานีสามีภรรยาลูกหลานของผู้ใดเขากลักสังวีนห่วงแหนของเขาแต่เข้าไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเข้าละ่ะก็ชากลากถูลูกหลานของเขา้าเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเล่ออันนี้คือศินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณนีพวกเข้าอย่าไป กี่ตัวจะไปหาหลอกล่วงผู้อื่นเขาน่ะเฮ้เข้าว่ามีเงินในธนาคารไปเขียนเช็ตให้เขาอย่างสิเออไปซุบตะกลัวให้เป็นท่องค่าอย่างสิเอพอพราเขาหัวเป็นของปลอมเขาก็เสียใจเสียเงกันอีกต่างหากถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกล่วงเข้าละ่ะเข้าเสียใจบ๊อบเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันถ้าหลบแล้วก็สินของพระพุทธเจ้าเออที่เข้ารักษาเนี่ยเอาหัวใจเขามาใส่ใจเขา้าเอาใจเขาไปใส่ใจเขา การเท่าบต้องการเท่าจะไปเหตุให้ผู้อื่นเขาถ้าเขาเท่าไปเหตุให้ผู้อื่นเขาเขาก็เดือดร้อดเขามาเขามาเหตุให้เท่าเท่าก็เดือดร้อดเช่นเดียวกันอันนี้คือศินขอที่หาสุราเมรยาตมะชะปม่ปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเ ม, มื่อเขาดื่มกินเหลา้ากินเบียร์เขาไปแล้วยีกินขั้นซายาฟินเสพขั้นซายาฟินเฮโรอีนยาบ้าโคเคนทุกมือเนี่มัน ม, มีมีหลายอย่าง ในเมื่อเราดื่มเราเสียบเข้าไปแล้วท่านี่ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วในทุกอย่างไปเลยพราะคนขาดสติคนเป็นบาเลยเหมือคนเป็นบาเขาทําความซัวอะไรคาพ่อคาแม่ก็ไรคาลูกคาเมียก็ะไรขโมยไผ่ก็ไรลาลาบระลวกสามีภรรยาลูกหลานไผ่ก็ไรขี่ตัวไผ่ก็ไระพราะอะไรเพราะคนขาดสตินี่แหละสินของพระพุทธเจ้าสมพุ่จะให้ไผ่เป็นผู้รักษา เป็นนาทีของพวกเข้าทุกขู่ทุกคนนะจะเป็นผู้รักษาอันนี้แหะคือศีลและธรรมเป็นนาทีของพวกเข้าจะต้องไขขวนไตรตรองออแล้วก็พยายามสําร่วมรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อันนี้มากพูดถึงพระคุณของพ่อของแม่บัดนี่พระคุณของพอ่อของแม่นะี่พอ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณเลยพ่อให้นั่นพ่อแม่นะเนี่ยเป็นบุคคาจารย์ เป็นอาจารย์ของคนแรกของบุตรธิดาเพิ่นเรียงเฮ้ามาเฮ้าเกิดขึ้นมาเพิ่นว่าพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าคือทิศทิศเบื้องหน้าก็คือทิศ ต, ต, ต, ตะวันออกเฮ้าตือนขึ้นมาแต่เศรา้าเฮ้าก็เห็นโอ้เมื่อนี่เป็นมือไม่ละพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไอันนี้เฮ้าเกิดมาจากแม่ขึ้นกันจากพ่อแม่ขึ้นกันพอตือนขึ้นมาเริ่มตาขึ้นมาพ่อลู่เรียงสาภาวะเอน้นี่คือแม่ของเฮ้าคือเห็นหนามแม่ก่อน จากนั้นแม่กับ แ, แนะนำสั่งสอนลูกของเขาอ ย, ย่าเฮ็ดจังสันเด้อลูกเลยอ ย, ย่าเฮ็ดจังสีนะลูกนะเอือนแม่จังสีนะเอิอนพ่อจังสันนะกินจังสีนะนอนจังสีนะอาบน้าจังสีนะพ่อแม่เป็นผู้สอนกอนมูเปิลเนี่ยวะพ่อแม่เป็นบุกพลาจารของบทที่ดาฮะนั่นแหละเพินว่าพ่อแม่มีบุญคุณมากแต่ขั้นภันยเฮ็ดบ่ถูกบ่ต้องกับพ่อแม่เป็นบาปกรรมนักคนวะ เพราะว่ายังขาพ่อขาแม่เนี่ยจัดเข่าอนันตรยกรรมหาย่างมาตุขาดขานขาบิดามาตุขาดขาม่านดาปีตุขาดขาบิดาอรหันตะขาดขาพระรหันโลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าย่างพระโลหิตให้หอสังกเพศจุโยงสงให้แตกกันอันนี้คือบาปนักในหลักของพระพุทธศาสนาแล้กว่าขาพ่อขาแม่คือกันกับขาพระหันฟังดูสิอรหันตะขาดข้าพระรหัน มามาุมาทุค า, าดฆ่าบัดาปิทุกคาดค่าบิดานีนั่นแหละบาปเท่าเทกันเพราะนั่นเพื่นจึงว่าให้เคารพเนิรพ่อแม่ของเฮาพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านหออันนี้คือ น, นาทีของบุท ธ, ธิดาถึงพ่อแม่สิ้ตายไปแล้วกว็าตาม ในร่างกายของเข้าถึงแต่หัวจนหอดตีนเข้าได้มากจากไผ่นี่แหะคือมอส ร, รดกที่พอแม่หมอ้อไผ่เข้ายังมีอยู่มอ ร, รดกชิน่นนี่เพราะฉนั้นเข้าออกมอสรดกชิ่นนี่นะไปทํามากข้าขายออจากนั้นเขาก็ o, เออทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พอให้แม่เขาน่ะปีนึง่งข้างหนึง่งพอแม่เนอรหลวงวิ ญ, ญญาณของพอแม่ตกทุกข์แต่ยากจังไรสิงสถิตยุทธินใดให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ขานเนอ ผู้ข่าได้ทำบุญทำท่านเมนื่อไหร่อันนี้แหะคือนาทีของบุตรธิดาทุกคนของลูกทุกคนนี่แหละในหลวงพ่อถ้าว่าพระสงฆ์กูบาดาายานเบาๆ เ, เรื่องประคุณของพอ่อของแม่เนี่ยบ่มีผู้ใดเบาได้ขั้นว่าพ่อแม่ที่ว่ากขาปลูกเนี่ยเ้ยลูกสาวลูกชายเอย้ให้ละเลิกถึงบุญคุณของพอ่อของแม่ได้แหมพ่อแม่เรื่องมายากคื อ, อยังเนี่ยเขาก็จะหาวันลำเลิกได้บ่เนี้ยเ อ, ยเอย ีจะประห า, ารหาลำเลิกเรียงแล้วก็แล้วตัวไก็มีผุดปอบไมีผุดใดเบานอกจากคู่บา่ายจานพระสงฆ์นี่แหละจะเป็นผู้เบาลงไปเพราะนั้นหลวงพอ่อสัทธาญาติโยมมาหลวงพอ่อจึงบอกให้ฟังเออระ ล, ลึกถึงบุญคุณของพอ่อของแม่นะ่ะลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมเนอะบัด น, นี้หลวงพ่อก็เบ้าเป็นชาติรกไข่ฟังอีกเดชบัด น, นี้มีชาติรกเรื่องนึ่งนะเพราะพระไตรเจ้าท่านตรัสสอนภิกษุภิกษุว่า ให้เราลืกถึงพอถึงแม่เนอะขั้นภูริถ้ำกรรมบอดีไหวกรรมนั้นจะตามสนองแน่บนว่าพระสงฆ์ก็เลยถามว่าสมัยใหพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าสมัยขั้งเก่าแก่พญาพ่อมทัดข้องราชสมบัติอยู่ในกลุงมพระราชนีข้าวนั้นมีพภามพผู้หนึ่งแต่งงานกับนางพระามณาีก็มาแต่งานได้ลูกผู้นึงพอลูกผู้หนึ่งกำลังที่เป็นนุมแม่ก็เลยตาย พ่อแม่ตายพอก็ได้จัดการแต่งงานให้ลูกชายพ่อแต่งงานให้ลูกชายป่านี่ลูกชายกับใดใดเมียมาบ่านี่ก็เลยได้ลูกด้วยอีกผู้พ่ อ, พอนี่ก็เลยป่ว ย, ยเป็นอัมพาตป่า น, นี่พ่อป่วยเป็นอัมพาตก็นอนแหละมานอนส้งเออไปล่จะไปทํางานอ่าลูกชายนี่ก็ต้องเฝ้าให้เมีย่ยไปทํางานฮะคานาวะลูกชายไปทํางานฮะลูกสาวไผก็ต้องเฝ้าพ่อต่อมาลูก หลานกะใหญ่ขึ้นมาบ่เนี้พ่อเจ็ดดูแลปูได้ก็เลยให้ลใหลานเป็นผู้ดูแลปูแทนพอแม่ก็ไปทําการทํางานพ่อต่อมาเฉยเลยลูกก็เนี่ยขืนเงยขึ้นละอายุสิบพกสิบเจ็ดปีสิบแปดสิบเก้าปีเราวันออกไปบ้านี้ผู้พ่อเนี่ยเลยเอยพ่อเนี่ปูเนี่ยพ่อเนี่ยตายขบว่าตายหายกขบว่าหายนักไปนาเลยเออมิแต่ขี่มิตเตเนียวนอน่งเดืกลับหม่องติเซดขี่เซตเนียว อต้องพี่ผู้เฝอจะตลอดคาเมนเฮ้าเนี่ตายดีกว่า่ออผู้พ่อคิดว่าคาเมนเฮ้าเนี่ตายดีกว่าเอาเถอะอัะ้วจะเอาพอไปฝังถิ่มซ้ําแล้วๆไปมัดเว้นมัดกัมทั้งเพิินทั้งเฮ้าทางลูกไส้เนี่กิสารกระตาแล้วน่ะไปสารกตาสารกตาไหมพายกตาใบ ห, ห, หนึ่งก็มีหูสอดพร้อมนาไปอพอปดุกไส้กับสิบเจ็ดสิบแปดปีเลยเด้เป็นนุมล่ะก็เลยบอกสั่งลูกไส้หมดเอ้ยลกูก เมือเ่อไห่ไปใสเนอะพอมีโชระนะเน่อยู่บ้านนะวันนี้นะอย่าไปเที่ยวนะครับดังลูกชายก็คอยลอคอยประมาณแทกซีหาทุ่มันนี้บ้านเมืองค้นกับเงียบวนนไปแบบพ่อเงียบแล้วกับพอกับว่างแผนว้ผู้เดียวเดย ม, มุบ ม, มับแบบมุบหมับว่นี้ไปเยอมากกันมาวันนี้แบบเกิดลูกชายมาเอาจับขาโป่ัทงผู้พ่อนี่ก็จับขี่ตะแลกวัน้ไปแบบยกข้างขีตะแล ทางลูกไส้เนี่ก็จับขาปูมาเอาเอาลงตะก้ามานะพอลงตะก้าเซจเรียบร้อยก็สอดไม่แล้วก็ไปหามไอ้ลูกไส้ก็มีหน้าที่หามก็หามน้าพรอแล้วนเนี่ยไปหามผูกพอกับยางไปเลยนะเอี่ยขึ้นจีนเป็นสูงขึ้นจเป็นทอๆกันนุธาเนี่ยแล้วขยางยางพอกันยางออกนอกบ้านผลแล้วคนมันมิดเนี่ยย่ำบันออกเป็นบ่อละพอมิดถึงยางออกไปฝุ่นไปพอดปลาส า, าบอ่นี่ยไปหอดปลาส า, าก็ว่าง ปูลองกันป่ะปูลองกันเลยบอกกักนพวกใช่ไนี่แหะที่พ่อหามปูมาเนี่ยนะปูเนี่หายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายให้ปลำปลาเลือกอยู่เนี่ยถ้าเป็นอย่างพ่อตายดีกว่าเพราะนั้นพ่อจังหามมากเลยกันคุดหลุมฝังเลยละ่ะนะเมื่อเ น, นี่ยพวกเข้าช่วยกันคุดหลุมแล้วก็ฝังเลยไอ้แล้วแล้วไปเรื่องกำมไอ้มดเวทมดกรำมไปเนีนะทั้งพวกลูกชายก็ทําทายยืน ปลำเปลือกโยนไปเอาพ่อพ่อจะฝังทั้งตะ ก, ก้าด้วยแล้วพ่อเอาจะาไว้ทําไมฝังมันหมดแล้วเอาไว้ทําไมผมคิดว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าพ่อเป็นอมภพึกอมาพาดอย่างปูนผมจะได้เอาตะ ก, ก้าใบนี้หามพ่อมาฝังไว้ป่าช้าอีกอย่างนี้แหละงั้นผมจะสารตะ ก, ก้าผมก็สารไม่เปลี่นเหมือนนลูกทรายวาวนะพี่ทั้งผู้พ่อจะยืนเน่ง ปะปะปะะถามกับปนวะเอาทําไมถามกลับทําไมพ่อเดี๋ยวกรรมตามสนองปนวาได้เออบาเท้าเพิ่นสิฟังพ่อนี่ยังได้บาฮาลูกสิลูกไส้สิฟังเพิ่นเพิ่นไปัญญานตายขึ้นกันโน่นไปเออปอนิโซก็าเลยถามกลับเมาโน่ไปก็าเลยดูแลพ่อโน่นไปโอ้ใครเป็นลูกไส้โบเบกไว้เนี่พ่อนี่เขาฟังแท้ๆโ่นไปนี่แหละอันนี้แหละคือ ผู้ใดก็ตามท้าม่กำบดีไว้กำนั้นจะตามสนองเนียอย่างหลวงพ่อเคยเห็นเนี่อมีผู้หนึ่งพ่อสึงสั่งเนีอาไปเอาไปมาพอสอนพอบอกเตะพ่อเอาไปเตะพ่อจนพ่อตกเคลื่อนเอาไปเคื่อนเคื่อนบนสูงเอาไปพ่อต่อมาวันพ่อตาย่นไปก็ตายธรรมชาติว่าตายเถ่าเนี่ยนะว่าแต่แกหมอนี่ก็แต่งานอีกพราะแต่งานก็ว่าลูกชายเตะพ่ออีกคนเอาไป อนนั้เยกว่ากรรมตามสนองเลยผู้ดใดทำกรรมบอดีไว้กรรมนั้นจะตามสนองเพราะนั้นพวกเข้าท่านทั้งหลายเนะ่ะเอ่กขับพกลาเปยให้ละมัดระว่างขั้นว่าสิไปไสเอ่ยขั้นพ่อแม่เบาพ่อแม่หายพ่อแม่ยังดาไกา่ฟัง่งฟั่งอย่าไปเถียงเออบางคนบ่แม่เนี้ยั้นพ่อแม่เบาแดงโบตกฝากหลักดินเนี้ยเถียงปั๊บปั๊บปั๊บปัไปเออวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ทั้งที่จะมาเออทั้งที่แม่จะผ้าลูกผ้า ผัวไปกาพ่อแม่ของเจ้าของไปกาพอ่พอตาแม่ย่อวันอาทิตย์วันไดวันมือสะดวกนายจะพ้าลูกผ้าเมี่ยไปกาพ่อปูแม่ยา่าบ่อเด้พุ่นอ่ะพ่อวันเสาร์วันอาทิตย์พุ่นอ่ะผ้าลูกแทะแลพุ่นอ่ะไปศูนย์การฆ่าพุ่นนะเออไปห้อมมัดห้อมมิรพุ่นอ่ะเออไปศูนย์การขาดทั้งผู้ผัวก็พุ่นอ่ะไปหาตีกรอบพุ่นอ่ะไปหาตีไก่พุ่นอ่ะไปหากินเหล่าพุ่นอ่ะ บกหูจักพ่อบกหูจักแม่บัท่าเถ่าแก่มะเหล่าบาทเลยลูกหลานบกหูจักบูตรคุ้นของกูผลไว้เดชหนึ่งนึกได้ใจว่าบกกาเว้ารอกในที่หูจักจังไรเจ้าของบกผ้าเขาไปกาบพ่อกาบแม่กับปู่กับย่าตายย่ายบัทหาแล้วจะให้เขามากับเจ้าของมาหาเจ้าของได้จังไรเพราะนั้นพวกเฮาท่านทั้งหลายนะท่านอยากจะให้ลูกหลานทำ้ำลูกหลานเป็นคนดีต้องทำดีให้ลูกหลานดู อย่างหลวงพอ่อขั้นอยากจะให้ลูกซิดดีหลวงพ่อก็ต้องทําตัวให้ลูกซิดดูถ้าว่าปูยาตายายากคือกันอยากจะให้ลูกหลานเจ้าของดีก็ต้องทําดีให้ลูกหลานดูเออแต่ปูเป็นภาคเขาไปกินเหล่าฝรั่ ง, งฝรั่งต่างอย่างยุกลารทนนทนทางปรรลงที่ส้อนลูกซ้อนหลานสูบเป็นคนดีนะ้ะสูไดนะ้จะไปหากินเหลนะ่ากินอย่งไรตัวภาพไปกินผอแห้งหรอเอ่สิ่งโมโนต้องเบิ่งเจ้าของเน๊ะเพราะนั้นการพูด ด้วยว่าการบอกกล่าวหรืลงพอเนี่ให้เบิ้งจบของพราลันขอให้พวกเข้าทุกขู่ทุกคนเน้อเมื่อได้ยิ่งแล้วก็ลงพอเคยเนี่ยมีหนังสือลงพอแจกเหล่หนึง่งว่าพักคุณของบิดามารดาลงพอก็ได้เอาอีกท่นานบอกวันในกุงสาววัตถีนี่มีพร่ำผู้หนึ่งมีพร่ำผู้หนึ่งขยันในการทํามหาเลี่ยงชีพจากนั้นก็ได้ทํามากค้าขายแล้วก็แต่งงานก็ได้นั่งพร่ำมานี่มาแล้วก็ค้าขายนํากัน ไดเงินแต่โกดหนึ่ง <Jub> ว <ilee> hmm, ันไงโกดหนึ plastic, thousand thousand ięcy, money, an, mm ่ง hmm. ค <ifs> <out> ือเท่าไรโกดหนึ่งคือสิบล้านเอี่ยสิบลอยเป็นพันสิบพันเป็นหมื่นสิบหมืนเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกดเด็กเงินโกดหนึ่งต่อมาเนี่ยก็นีลูกไส้ทั้งเก่าข้นพอได้ลูกไส้เก่าข้นกัต่อมากันลูกไส้กันไงพร้อมๆกันต่อมาแม่ตายวันพ่อแม่ตายพอเนี่ยก็ได้แต่งงานในลูกไส้ แต่งไายรายรก่อนลงมาแล้วได้ลูกสะพ้เก้าคนขึ้นกันบาดนั้นแล้วก็เลยลูกชายก็ราบอกเอ้ยพอพวกผมมีครอบครัวแล้วเงื่อนของพอกับทีมไใบชื้อๆเอามาแบงกันลงทุ่นชนะพอเนาะเอ้ยแมนขาหามากขาหามาเผื่อสู้เจ้านั่นล่ะเอามาแบงกันก็เลยให้ภูละลาน ล, ล้านมาอายังเหลือกับพอล้านนังพอต่อมาเอกบัดลูกชายก็ข่าไปขายมากก็ เงินขาดมื่อีกกว่านโอ้ยพอให้พออีกผมเอาอีกแบงเงินพัละแสนนรกพอเนาะเออเอาเอาซีเนี่ยเลยพูวให้พูละแสนละแสนละแสนต่อมาขออีกพัละหมื่นละหมื่นต่อมาพูนละพันละพันมันออกไปยังโยกพอพันหนึ่งบาทพอก็ใส่ไปใส่มากก็เมด่อ่อนพอเมื่อเลยกัอยู่กับลูกสะใภ้ข้นโตลูกชายข้นโตแล้วบาทพ่อโยไปโยมาลูกสะใภ้เลยอ๋อโอ้ยปูเนี่ยไหาแบงเงินมาแบงทอกันมรดกแบงทอกัน บ้าน้ามอยู่ม่อยู่แต่บ้านเฮาพอเห็นบ้านผู้อื่นกินกับเฮาอยู่กับเฮาพอไปบ้านอื่นทางลูกสะพายว่าลูกสะพายข้นโตว่าทั้งู้โป๊ะก็ะเด้งยิน่็ขว้างหูอะไรพุทธาวั้นออกข้นออกหูวันโน้ไปไหวเจ๊ซี่กัแปลว่าเขาไล่กูตัวเนียวมาจันเนี่ยพเท่าว่าเอ้ชั้นทั้นกับป้ากูไปอยู่รักกันเลยไปอยู่น้ำบักบักแปดวนโน้ไปต่อมากับบักเจ็ดบักหกบักหาบักสี่บักสาบักสองบักหนึ่งวนโ ลูกสะพายมันก็ว่า่าคือเก่าอีกคนไปโอยกูอายุน้ําสูงหัวสูงเราสันกูจะไปหาขอท่านกินดีกว่าแทนเทาว่าบ้านนีก็ได้ยามขาดไปนึงเลยก็ใส่เสื้อผานัดเขาในยามเลยก็ได้หมอโลคหูขาดมวย น, นึงเลยก็ได้ไม่เท่าก็ไปแล้วบานนี่ยไปหาขอท่านกินวันไปไปบ้านนั่นบ้านนี่ขอท่านแน่ขอกินเขาแน่ค่ะเขาก็หากินตามมีตามเกิดจัดเซพ่พระเนจจ อ, อนไปเรื่อยเราไปเมื่อเรื่องเขาไปหอดวัดป่าเฉิ ด, ด, ดตะวันมาหาวิหารบานนี่ ไปขอดวัดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดป่าเชิตะวันภาพเนี่ครับเข้าไปในวัดพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้พระสงฆ์เรียกเข้ามา้านุ่มภาพแตเข้ามาอย่างพภาพทุกตัวเนี่ก็เลยเข้าไปผู้ดองก็ถามว่ า, ม, า, า, าม้าหยั่งภาพมหามีหยัง่งภาพก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอ้ยภูเขาตะกอนก็มีอันจะกินแต่บาดเนี่ตกทุกในยอยา่างจังตีสก็ว่าไปแหละพระพุทธเจ้าเอา้าเดี๋ยวจะให้เขาสี่ให้ฆ่าถาสุภาษิต กาศูนย์ท่อนลพดสีแห่นอบอสเอัอลบอภาพบอสพรกพุทธเจ้าเนี่ยหายยังเอาหมดเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์เออเอาเออขาสะสอนให้บาตแล้วเพื่นก็ได้สอนให้พอสอนเรียบร้อยละบาดเนี่พภาพจาได้บอลได้ครับไปไปกาศูนย์ท่อนศูนท่อนลพดไอ้คุ้มของเจ้านะเก่ามาจะเกิมมดมาจะคุมได้มาจะคุมได้ไปหาคุ้มนั่นละ เออเอิญเขามานะเอิญลูกชายลูกสะพายหลานมากพี่น้องมากบอกเอ้ยสู้เจ้าทางไลยข่อยปยูข่อยหนีไปโปรดใ้สร้างไดล่าสู้เจา้าบาดนีข่อยมาหอดเลยมาเนอะเดี๋ยวสืข่อยสีเกาเอออย่างห้ฟังกาสร้างกาล่าสู้เจา้าเหมาเนอะนทางไ ล, ล่ก็ไดิยิ่กับลังกันมาเลยวไปพ้ามีเบาจังไหบัดนี่เนี่แหละเออคือจังลงพอจับไม้เบาอย่างที่แล้วผ่านเออผ้ามก็ยืน อยู่ในกางกางเวทีกางฟ้อง่ันลงไปเอ่ปืนพ้ามก็ยืนแล้วก็พ้ายยามใบหนึ่งก็ถือหมอโลกแล้วก็ถือไม้เท่าพร้อมกัไปพ่ามก็เลยกาวที่พระพุทธเจ้าสอนให้นะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พ้ามเบาพ้ามก็ว่าแล้วบ้เอเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมาย ได้ค้ํากายย่า ง, งย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ ร, ร้ายจะวายวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยใ้ผ้ามวายืนกลางฟ่อแล่าไปเลี่ยงบุตรสุดแสนจะลําบากเลแต่บอ่อแท่นมือพ่อได้เหมือนใจหมห่คือเลี้ยงลูกขึ้นมาพวกเขาเลี้ยงลูกเพื่ อ, อยัง เมื่อเ่าแกชล่ามะเฮาเขาจะได้พึ่งผ้าอาศัยดูกองเข่าแมนบอกเน่แต่เลี้ยงขึ้นมาแล้วว่าไม่พอใดดูแลพ่อแม่พ่อแม่ได้เลยเออชุดแสนจนันวักแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายพอตัง้งพอตั้งใจหมายว่าจใจเลี้ยงดูกขึ้นมาเพื่ อ, อ, อจะได้พึ่งผ้าอาศัยเขาญามเเ่าแกชล่าเนีแต่กับปั้กับปั้นละย่ายขึ้นไม่เท่าเลยขุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายเอีอ ได้ขํากายย่งย่องจ้องจดจุนคือจะไปใส่ก็ไม่มันสิลมันไม่เท่าคําไว้ยานไวมันเอาไปแล้วก็เอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคือมีถ้ามีหมาสิมา ก, กัดไม่เท่าลาวัดเวียงไปหมาขยานเป็นว่าอะไขันง้อควายสิมาจีจีกัยกไม่เท่าขึาาววา้นม่าลายง้ไลาควายง้อควายขยานขยานไม่เท่าดีกว่าลูกทางเก่าคนที่เลี่ยงมากหรือความยากลําบากไม่เท่า ดีไม่เท่าของพอนี่ดีกว่ามีบุญคุ้นกว่าลูกทั้งหลายที่เก้าคนที่เลี่ยงมากโดยความยากลําบากเลยพ่อผ้ามกาวค้าถาตัวนี้แหละลูกชายทั้งเก่าคนนะนอนหมอบเลยวันอไปโ อ, โ อ, โ อ, โอ้แมนความพ้ออีหลีเขาจะเนี่ยพวกข้าปล่อยปลาละเลย่ยมิจตธทํามากขาขาย ข, า, ขาดการดูแลพอนะตอนนี้ต่อไปผู้ขา่าจิตดูแลพอย่างดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่แหละ อันนี้ก็คือถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นให้ปล่อยปะละเลย่ยเนี่ยเพื่อนขอให้ลูกหลานจัดท่าหยาดงอมทุกมู่ทุกเลา่าเมื่อได้ยินถ้ำคําสอนของหลวงพอ่อเป็นถ้ำคําสอนหลวงพอ่อหรอกเป็นถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เพิ่นแนะนําสั่งสอนพวกเข้าให้หูจักบุญคุ้นฮะคุ้นคองพอคลองแม่พอแม่เป็นผู้มีบุญคุ้มากสําหรับบุตรธิดาขันผู้ได้เหตุโปรด ถ, ถือบาปกรรมตามสนองเด้ขันผู้ได้เหตุถูกก็มีแต่ความเจริญหลุดเรื่องนะ กะับพร้อมกขารขอขอฝากไว้กับคู่บาศทธายาโยมทุกคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทหลวงปู่หมันเพิจน์สอนหลวงปู่หมันเป็นพ่อแม่คูบาอาจารย์พวกเข้าเด้หลวงปู่หมันหลวงปู่เขาหลวงปู่เทศหลวงตามหาปัวเป็นพ่อแม่คูบาอาจารย์ของพวกเข้าพจ น, น์ในน้ำในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องพวกเขานับว่าโชคดีอย่างมากๆที่ได้มาเกิดพบในยุค ข, ของพ่อแม่คูบาอาจารย์เล่านี่ เพิ่นสั่งสอนแนะนำสั่งสอนจางไหนพหเพิ่นไห้พาวนาพุทธพ่อนออย่างหลวงปู่มันเพิพ่นสอนเนีอยนางยังเนี่ยยังหลวงตานางเห็นหม่้สีขาวเนี่ยนางคัดสมาธิยังสิล่ะเอ้าั่งคัดสมาธิาคา้าขว้าทับข้าสายมือคว้าทับมือสายจากนั้นกวาริกรรมหายใจเข่าพุทหายใจออกพ่อพุทธพพุทธ พ, พ, พ, พอันนี้คือนางสมาธิเมื่อนั่งสมาธิและจิตใจร่วมสงบลงไปแล้วเข้าจงหูจักโดยตนเองว่าอ้าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วศูนย์ มันบอศูนย์ในร่างกายร่างกายตายเลยศูนย์แน่แต่ว่าจิตใจคือน้ามาถ้ำตัวภูรูรู้ใช่ไหมันสิบอาตายไปหาเกิดมองอื่นได้เพราะนั้นจะทําจิตใจให้บริสุทธิ์ก็จัดใจเพรานั่นแหะบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสโมฆมาเวียนวายตายเกิดนี่พ่อแม่คู่บ่าจานลงปูลงตาเพคนสอนยังสั่นเลยแล้วพคนเป็นบาดไหนเป็นยังไงระบาดลงปูหมันก็ดีลงปูเสกาก็ดีลงปูขาวลงพ่อแม่คู่บ่าจานของเฮ้า ที่เพิินล่วงรับรับขันไปกระดูคลองเพิินได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเข้าได้เห็นเต็มหูเต็มตาพวกเข้าควรจะมั่นใจได้ว่านี่พ่อแม่ครูว่าจารของเขานี่คือสายพาาระรหทักทักบ่เป็นสายอื่นพวกเข้าควรจะมั่นใจลูกหลานทุกคนทุกองค์ควรจะมั่นใจแล้วก็ให้ศึกษาในถ้ำคําสอนของเพิินเพิ่นสอนจังไดให้ไปฏิพิบปฏิบัติตามถ้ำข้ามสอนของเพิินพวกเข้าจะถึงมักถึงผลตามที่พ่อแม่ครูว่าจารผ้าดําเนิน เออไข่พวกเขานี่มีแต่ออกนอกหลูมนอกทางบ่มีศีลบ่มีถ้ำบ่อมีบ่จะได้ยึดมีแต่คิดแต่ท่างโลกบ่ได้ยึดในศีลในถรำหระพวกเข้าจะหาความเจริญบ่ได้นะจะเลื่อนทางโลกกระแมนยุบแต่ว่ามทในถ้ำบ่จะเลื่นพไปตามแนวแถวของพ่อแม่คูบาอาจารย์ถึงจะทุกข์จะยากบนไดก็ให้เดินตามแนวแถวของพ่อแม่คูบาอาจารย์ของพวกเข้าพวกเขามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสงบผาสุขทางด้านจิตใจ